Yeah. Mm -hmm.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 หลายท่านนั่นก็กระตุ้นให้เคร่งครัดในพระวินัยต่บางท่านท่านก็แนะนำให้ถือวินัยข้อเดียวนะไข้ออื่นไม่ต้องสนใจอันนี้ก็เช่นเดียวกับครูบาจารย์หลายท่านอย่างหลวงปู่มั่นเห็นลูกศิษย์ป่วยจะมาขอยาท่านก็ตำหนินะว่า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 เพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันอันที่อยากต้องข้อสังเกตประการหนึ่งว่าพระพุทธองค์เนี่ยบ่อยครั้งนะท่านกัมวงอะไรเนี่ยในลักษณะที่สมัยใหม่เรียว่ามองลบงเช่นการมาสุขหรือว่าสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยพระองค์ก็บอกว่ามันเจือไม่ได้โทษนะเหมือนของร้อน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 ลาบยศสุขสารเสริญพวกนี้อย่าไปอย่าไปหลงไหลได้เึืงอนกับมันนะเพราะว่ามันก็แฝงไปได้โทษโทษก็คือว่ามันไม่เที่ยงนะแล้วก็มันเจอไปได้ทุกมันให้ถูกชั่วคราวนะแต่ว่าทุกยาวนานหรือว่าอรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่ใครๆหลงว่าสวยงามพระองค์ก็เชียเห็นถึงความไม่งาม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 กลับไปเมืองสุนาปรันตะอรเจ้าก็ทักว่าคนสุนาปันตานี่เขาดูร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีที่เขาไม่ทุบตีอุะจ้าก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้ า, ถาทุบตีท่านท่านจะคิดอย่างไรเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาออ ก, ก้อนหินมาคว้างแล้วเขาถ้ า, าก้อนหินมาคว้างล่ะท่านจะคิดอย่างไร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 เขาน้าก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามาหาศาสตรามาหรือไม่ต้องไปจ้างคนมาฆ่าตนให้ตายแต่ถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธว่าก็ดีนะก็คือไม่เหนื่อยพนระพุทธเจ้าก็อนุโมทนานะและก็อนุ ญ, ญาตให้พระปุณณนับกลับไปเมืองสุนาปันตะได้ไม่ช้าไม่นานนะคนสุนาปันตะก็หันมาสมาธาพุทธศาสนา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 ก็จะโดนก้างตาคอแต่ถ้าคนที่เขารู้ว่าในปราทนนี่มีก้างนะเขาก็จะเคี้ยวอย่างฉลาดนะก็คือเคี้ยวแต่ว่าไม่ไ ม, ม่มูมาก้างก็ไม่ตาคออันนี้ก็เปรียบได้กับพ ร, ริยเจ้าหรือพระอราหันนะท่านก็ยังเกี่ยวข้องกับการมาสุขอยู่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะท่านยังเกี่ยวอยู่แต่ว่าท่านไม่ยึดติดเพราะว่าท่านเห็นโทษอย่างพระสิวลีนี่ท่านก็มี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 ถามว่าฉันแล้วอร่อยไหมท่านก็รู้ว่าอร่อยแต่เป็นการอร่อยตามสมมุติของชาวโลกแต่ว่าใจไม่ได้เคลิ้มคลอยไปด้วยนี่ไม่ใช่ว่าท่านปฏิเสธนะก็ยังอยู่กับยังอยู่กับกลามแต่ว่าจิตเนี้ยไม่ติดในกลางอย่างที่พระเจ้าคุณพรหมคุณาภรท่านสรุปคุณลักษณะหรือสภาวะจิตของพระอรหันต์หรือพระพุทธเจา้าว่าอยู่ในใจเหนือเกื้อโลก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 อันเนี้ยที่ตรงอับที่พเจ้าตัดว่าเนี่ยมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมันในลูกนะมันก็ไม่ทุกข์มากนะมีคนที่เข า, าเขาเลี้ยงลูกมาเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการนะลูกก็ลูกเติบโตในวิธีทางของเขาพ่อแม่ก็สบายใจแล้วไม่เป็นต้องเรียนเก่งไม่เป็นต้องสอบเข้ามหาวิทลัยอันดับหนึ่งก็ได้นะ ลูกอยากจะเป็นศิลปินนะลูกไม่อยากเรียนหมอออก็ได้นี่ถ้าไม่คาดหวังลูกนะว่าจะต้องเป็นอย่างที่ตัวงคิดเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์หรอกแต่เพราะความยึดมั่นถือมั่นเองคราวนี้เวลาพูุทธเจ้าพูดมองบวกนะกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์อ่ะอันนี้ก็เป็นจุดหมายเดียวกันนะก็เพือเชื่อจะได้ใจไม่ทุกขนะ์นะเวลาเจ็บเวลาป่วย <c oughs> เวลาถูกต่อว่าดาทอนะเวลา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 ความชื่นชมสารเสริญ น, นะราบศักการะทีตามมาโวมต้องความสำเร็จด้วยความดีในที่นี้นี่ก็หมายถึงความดีทางธรรมะรวมทั้งความขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะไอพวกนี้เนี่ยมันก็ยอมยอบนับทำให้เกิดผลคาสารเสริญคมชื่นชม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 ทำธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจล้มละลายเคยไปไหนก็ยืดหน้านะว่ายืดอกนะว่าฉันเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็มีฐานะดีมีรถนั่งรถเบนซนะ์อยู่คฤหาสน์ก็ไปลงยึดในสิ่งเหล่านี้พอจะถูกยึดเข้าทําใจไม่ได้ฉันเป็นข้าราชการระดับสูง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 ทำร้ายตัวเองได้แต่ถ้ามองว่าเออมันก็ธรรมดาของผู้นี้มาแล้วก็ไปมันไม่เที่ยงเป็นข้ายการระดับสูงสนะี่แปดเก้าอยู่บ้านอยู่ห้องแถวมันจะเป็นอะไรไปไม่มีรถเบนซ์นั่งรถแท็กซี่หรือแม้แต่ขี่มอเตอร์ไซค์มันจะเป็นอะไรไปนะไร เ, เ, รเปไรไปพราะรู้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้แล้วว่า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 ซึ่งมันซ่อนอยู่ในสุขใครที่เกลียดทุกผู้เจ้า ก, ก็ชี้เห็นว่าในทุกเนี่ยมันมีสุขอยู่นะไม่ต้องเกลียดยงั้นถ้าเรามองมองบวกมองลบเนี่ยและมองบวกอย่างที่ผู้เจ้าว่าเนี่ยก็เวลาเจอสุขก็ไม่รักนะเฉยๆเจอสุขก็ไม่รักเจอทุกก็ไม่เกลียดลองคิดดูดีนะที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเราไปรักสุขเกลียดทุกนะพอเราักมันแล้วรักสุขแล้วพอสุขมันเจืองใจ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 ยิ่งอยากผลักไสเนี่ยเขาก็ยิ่งตือความทุกข์เป็นอย่างนั้นนะคนที่เกลียดทุกข์นะจะเจอปัญห า, าคือทุกข์มันชอบตามตือก็ยิ่งลำคาญยิ่งระอายิ่งเป็นทุกข์และพอมาอยู่กับเราเนี่ยมันก็ไม่ยอมจากไปง่ายๆนะี่นี่เพราะอะเพราะว่าเกลียดทุกข์นะพอเกลียดทุกข์ก็เลยก็เลยเจอดีซะเลยแต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งว่าสุขเนี่ยมันก็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 ถ้าเราลักเขาเมื่อไหร่นะเราแย่เลยนะเพราะว่าพอเราลักเขาเราก็อยากจะให้เขามาหาเราบา่อยๆเมื่อวานนี้เขามาหาเราแล้วความสงบความปิติวันนี้ก็อยากให้เขามาอีกแต่พอเขาไม่มาเนี่ยเราก็ชังก็ชงเง้อคอมองหาเมืม่อไหร่จะมาสักทีนะความสงบลอยนั่นแหละไม่มาก็เริ่มเป็นทุกข์ละบางคนก็เริ่มงุนงิดละเพราะว่าผิดหวังอันนี้เพราะว่าลักุขนะ พอสุขไม่มาก็เลยทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราลองทําใจนะสุขเราก็ไม่รักเพราะเราเห็นโทษของมันส่วนทุกข์เราก็ไม่เกลียดนะเพราะเราเห็นข้อดีของมันอันนี้เราก็จะปฏิบัติได้อย่างสุขสบายอย่างรู้เท่าทันและชีวิตของเราก็จ ะ, ะราบรื่นนะไม่ว่าเราเจออะไรก็ตามแต่ใจเราก็เป็นปกติได้เราคำนี้พูดกันท่านนี้นะครับ